สีปทมะพละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญานาปานสติสูตรที่หนึ่งิภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงมากานาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมาก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 จะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอนิสงมากภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แล